ปล่อยมันไ่าอย่างนั้นแหละครับอย่าไปสนใจอะไรเลย a right, ายุอะไรเบ๊คราวนี้เป็นเสียงของนายคีดที่แทรกมาอย่างร้อนรนอย่างไม่แน่ใจนะักดพินยื่นวิทยุเข้าไปใกล้าปากของแม่ผมแดงแล้วพยักหน้าให้หลอนพูดกับพรรคพวกเรียบร้อยดีไม่ต้องห่วงหรอกแต่ฉันไม่ชอบอะไรอยู่อย่างนึงอะไรหรอเกือบทุกคนทางด้านหลังส่งเสียงถามมาเกือบเป็นเสียงเดียวกัน เบนช้ำเลืองหน้าพรานนำทางแล้วโคลงหัวช้าๆก็ระหว่างที่มันกำลังรัดฉันแทบจะขาดใจตายอยู่นะสิทั้งขยะขยแขงทั้งกลัวแต่นายพรานของเรานะ่ะเขาเข้ามาเอามีดทื่อๆของเขาคว้านคอมันเล่นอย่างช้าๆทำท่าเหมือนจะถลกหนังมันเตรียมทำเป็นอาหารนั้นแหละแทนที่เขาจะยิงมันให้ตายแค่ในทันทีแล้วช่วยดึงฉันออกให้พ้นวงรัดของมันเร็วกว่านั้น ขนาดบุรียังไม่ยอมถอดอกจากปากเลยระหว่างเขาก้นคอไอ้งูเวนตัวนั้นไหยเฮ้ยคาหลังหล่อนสมบุตทําตาประหลับประเหลือกมองหน้าเขาเสียงพักพวกด้านหลังหัวเราะอย่างขบขันกระพินดึงวิทยุออกไปจากการส่งจอที่ริมฝีปากของหล่อนแล้วพูดทางสะดวกครับตามมาเรื่อยๆนะครับโดยปกติจากการติดต่อก่อนนะครับแล้วก็ดับสวิต เอาวิทยุเน็ปเข็มขัดไปตามเดิมออกเดินเร่งฝีเท้าต่อไปตามลักษณะเดิมของเขาแต่เบนวิ่งตามเหนียวแขนเสื้อไว้นี่คุณรรบพินไทยวันคราวนี้หล่อนเรียกนามเขาเต็มยศคุณน่ะเป็นสุภาพบุรุษไม่ใช่เหรอครับผมก็เข้าใจว่าผมเป็นนะขณะนี้ สุภาพสตรีคนหนึ่งอุตส่าห์วิ่งตามหลังคุณมาใช้เวลาทั้งหมดกว่าสิบห้านาทีก่อนที่จะทันเหนื่อยทบตายมีหน้ำซ้ำยังเกือบจะเป็นอันตรายจากงูรัดคุณยังคิดหนีไปซะอีกเหรอพรานใหญ่ทำหน้าฉงนนิดหนึ่งเลิกคิ้วขึ้นแล้วหัวเราะออกมาเบาๆยอมผ่อนฝีเท้าลงเพื่อให้หล่อนเดินเคียงไปด้วยนีเบ คุณมาลำบากเหนื่อยแรงตามเพื่อหวังให้ทันผมทำไมกันผมคิดว่าคุณควรจะไปเดินรวมกับพวกด้านหลังจะดีกว่านะขณะนี้ผมต้องการทำเวลาโดยล่วงหน้าไปก่อนสำรวจลูทางไปในตัวด้วยเพราะเรายังวางใจอะไรนักไม่ได้ในเส้นทางก่อนจะถึงตะเคียนทองนี่เอาเถอะไหนๆฉันก็เดินมาทันคุณนี่แล้วคุณจะใจร้ายทิ้งฉันโดยไม่ยอมผอนฝีเท้ารอบ้างเลยเชียวเห ฉันคงไม่ทวงเวลาคุณให้เสียไปสักเท่าไหร่หรอกให้ฉันเดินมากับคุณด้วยทักคนนะ่ะนะสัญญาว่าจะพยายามเร่งฝีเท้าของตัวเองส่วนคุณก็ผ่อนลงมันหน่อยเท่านั้นนี่แทบขัดใจแล้วนะกว่าจะวิ่งตามคุณมาทันนี่นะสงสารยันมั่งทีคําพูดของหล่อนเต็มไปได้วยอาการวิงวอนและตรงไปตรงมาดีกระพินยิ้มบอกกับตัวเองว่าเขาชอบในความเปิดเผยของหล่อน แม้จะดูกระดกกระเดกไปบ้างมากกว่าทีท้าอ่านเต็มไปด้วยเลสันลึกซึ้งและมักจะมีปริศนาให้คิดของคริสตินา่าถ้าคิดจะคบกันเป็นเพื่อนแล้วก็คนแบบเบลนี่น่าจะคบได้ง่ายโดยไม่ต้องระมัดระวังตัวแจอย่างคริสผู้ซ่อนสเสน่ห์อันแรงกล้าไว้ภายใต้กิริยาท่าทีเงียบขึ้นเยือกเย็นนะตกลงครับเ็บอกง่ายๆเอื้อมแขนข้างหนึง่งมาโอบรอบตะโพกหล่อนไว แล้วนำเดินเคียงคู่กันไปหลอนหัวเราะออกมาได้อย่างแจ่มใสขอบคุณมากคุณที่ทำให้ฉันไม่ต้องอายคริสหลอนบอกปนหัวเราะอายเรื่องอะไรอะคุณเอาก็เขาเคยเดินตามทันคุณมาก่อนแล้วนะสิวันนี้ฉันจะทดลองตัวฉันเองบ้างถ้าฉันตามคุณไม่ทันคริสเขาก็คงนึกยิ้มเยาะฉันล่ละอ๋อ นี่ในระหว่างคุณสองคนนี่คอยเอาชั้นเอาเชิงแข่งขันกันอยู่แค่นี้เองเหรอในข้อที่ว่าใครจะเดินตามผมทันหรือไม่มันก็ไม่เชิงแข่งขันอะไรกันหรอกกระพินฉันเคยเห็นเขากลัวตามคุณทันมาแล้วทําไมฉันจะลองตามคุณให้ทันมั่งไม่ได้ในเมื่อเราก็ไม่ได้มีอะไรได้กว่ากันเลยแต่สารภาพนะว่าฉันอุ้ยอ้ายกว่าเขาไปบ้างคุณก็ต้องช่วยฉันบ้างที อย่าให้เขาคิดว่าเขาน่ะเหนือกว่าฉันในทุกด้านเหนือกว่าในเรื่องอะไรมั่งอีกอะก็ความสนิทสนมใกล้ชิดกับคุณความสนใจของคุณที่ควรจะมีให้กับฉันบ้างไม่น้อยหน้าไปกว่าเขาน่ะสิอย่าลืมนะคุณรพินในคณะของเรานี่มีผู้หญิงสองคนติดมาด้วยคุณก็ควรจะแสดงมัตรีจิตให้เสมอภาคกันฉันน่ะน้อยใจคุณมาตลอดเวลาแล้ว ที่คุณเอาใจใส่ต่อคริสติน่ามากกว่าฉันโอ้โหกานใหญ่อุทานออกมาพร้อมกับหัวเราะกึ่งขันกึ่งประณีโอบตะโพกอวบสล่างนั้นให้เคียงข้างแนบชิดเข้ามาอีกและตกะเบาโดยไม่ได้คิดอะไรเกินเลยทั้งสิ่งนอกจากให้ความสนิทฉันเพื่อนฉันน้องสาวขอโทษนะคุณถ้าหากว่าที่แล้วมาผมได้ทาอะไรลงไปเป็นเหตุให้คุณคิดเช่นนั้น ความจริงผมก็เอาใจใส่ต่อคุณทั้งสองคนทัดเทียมกันนั่นแหละไม่ได้คิดว่าจะต้องเอาใจใส่คนใดคนหนึ่งพิเศษออกไปโดยเฉพาะคุณเองก็เป็นคนที่พูดอะไรตรงๆเปิดเผยน่ารักดีมีน้ำซ้ำผมและคนของผมก็ยังต้องพึ่งคุณมากกว่าคริสติน่าซะอีกในวิชาแพทย์ของคุณเมื่อคืนนี้ทาไมไดคุณผมก็คงแย่ไปล้ฉันนะรักษาคุณก็จริงนะรพินแต่คริสเขาก็เฝ้าดูแลพยาบาลคุณ ก็เป็นนันสรุปว่าน่ารักทั้งสองคนนั่นแหละแต่ก็เป็นไปคูลาแบกครั้งแรกที่พบกันผมก็ไม่คิดหรอกว่าคุณทั้งสองจะเป็นมิตรที่ดีถึงเพียงนี้นึกว่าจะเข้ากันไม่ได้ใชอีกแต่ผลที่สุดเมื่อเดินทางมาด้วยกันเราก็คบกันได้อย่างสนิทใจไม่เฉพาะคุณสองคนเท่านั้นหรอกคือแนนคิดหรือดรสแตนลีย์ก็เช่นกันเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้มีความคิดรังเกียจเดียยฉันอะไรพวกคุณหรอกสาบานได้ เบนหัวเราะออกมาได้อย่างแจ่มใสร่าเริงฉันมีอะไรที่น่ารังเกียจไม่ถูกชะตากับคุณบ้างไหมนิสัยของฉันอาจจะไม่เหมือนคริสตินานะจอมพรานผงกหัวลงผมเข้าใจในข้อนั้นน่ะแล้วก็แยกออกไปถูกคนเราจะให้มีอะไรเหมือนกันหมดมันไม่ได้หรอกแล้วอย่าฝืนความ ร, รู้สึกหรือฝืนบุคลิกตัวเองจะดีกว่าถามจริงฮะ ผมดูไม่ออกเลยว่าคุณกับคริสตนิใครจะอายุมากกว่ากันคุณก็ลองทายสิหล่อนว่าแล้วสะดุดก้อนหินที่โผล่พ้นด่านขึ้นมาทำท่าจะคำมั่นหน้าแต่ระพินคว้าตัวไว้ทันมีคำกล่าวเตือนกันไว้ว่าจงอย่าถามอายุของผู้หญิงเพราะเท่ากับท่านบังคับให้เจ้าหล่อนโกหกขอโทษอีกครั้งเบลที่ผมเสือกกะโหลกไปยุ่งแต่อายุอานามของพวกคุณ มันไม่ให้ประโยชน์อะไรขึ้นมาสักนิดแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นการไม่สุภาพเอาซะด้วยหรือว่านะเราไม่สนใจกับคำพูดของเขาบอกมาง่ายๆตามนิสัยความจริงอะชัดอ่อนกว่าเขาสองปีนะแต่รู้สึกตัวเองเหมือนกับว่าฉันดูจะแก่กว่าเขาซะอีกมันเกี่ยวกับรูปร่างคริสต์เขาเพรียวโสดโ อ, ดองไอ้ฉันน่ะเนื้อมากไปหน่อย เชื่อว่าคงผอมแน่ในการเดินทางตามหลังคุณครั้งนี้อ่ะผอมลงนะ่ะคงจะดีแน่ครับแต่ผมกลัวว่าจะมากไปกว่านั้นนะ่ะทียังไงเอา้าก็กลัวว่าจะเหลือแต่หนังหุ้นกระดูกหรือดีไม่ดีแม้แต่กระดูกก็จะไม่มีเหลือน่ะทีคุณเบนมองหน้าเขาแล้วหัวเราะเอามือผลักไหลเขาเบาๆ อ, อย่าล้อเล่นน่ะคุณ เนี่ยคุณวันนี้นึกไงจึงพยายามที่จะเดินตามผมมาให้ทันคุณจะออมแรงและเดินสบายมากกว่านี้นะถ้าหากเดินมาพร้อมๆกับพวกของคุณทางด้านหลังนะก็บอกแล้วไงดาพินว่าฉันต้องการทดสอบตัวเองดูบ้างเท่านั้นแล้วอีกอย่างหนึง่งก็อยากจะเห็นอะไรต่ออะไรทางด้านหน้าพร้อมๆกับคุณด้วยทานใหญ่ ตาสอดสายไปยังหนทางอันรกคือเบื้องหน้าตลอดเวลาเหมือนจะสังเกตอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ปากก็คงพูดเรื่อยๆด้วยน้ำเสียงธรรมดารรมดาของเขาว่าความจริงคุณก็เป็นคนตรงไปตรงมาเปิดเผยทำไมคุณไม่บอกตรงๆล่ะว่า ห, วหน้าของคุณน่ ะ, ะใช้คุณกับคริสคอยประกบตัวผมไว้ตลอดเวลาโดยแผลกนอิสเบนเกือบสะดุง แต่แล้วก็เสียหัวเราะเจือนจืดหัวหน้าเขาก็เพียงแต่สั่งให้เราคอยใล้ชิดสนิทสนมกับคุณเท่านั้นแหละไม่ได้มีเจตนาที่จะประกบหรือคอยควบคุมตรวจตราอะไรเพราะเราสองคนจะมีน้ำยาอะไรแต่ถ้าคุณนังเกียจหรืมีความระแวงแคลงใจอะไรฉันก็คงไม่กล้าเข้ามาใกล้คุณอีกละระพินคงอยังเงียบสงบอยู่เช่นนั้น ทั้งคู่เดินเคียงกันไปชนิดไหลกระทบไหลโดยระพินยอมผ่อนฝีเท้าลงแต่ถึงกระนั้นเบนก็ยังต้องก้าวเท้าเร็วทีอย่างเหน็ดเหนื่อยอยู่นั่นเองในการที่จะเดินเคียงข้างเข้าไปได้ท่านใหญ่ไม่กล่าวอะไรอีกทั้งสิน้นและเบนก็เลยพลอยเงียบไปด้วยเพราะการเดินเร่งชนิดนั้นทําให้ลําคอของหล่อนแห้งผากไม่มีแรงที่จะชวนคุยใดๆได้ไดทั้งสิน้น ผิดกับที่ได้ตั้งใจไว้แต่แรกเวลาผ่านไปตามลำดับท่ามกลางการรุดหน้าไปในป่าใหญ่ไพรทึบซึ่งไม่มีวี่แววกระตุกกระตากใดๆเลยลิงข้างริชนีซักตัวก็ไม่ปรากฏให้เห็นนอกจากพวกกิ่งกาดงเท่านั้นที่จะพบไปเป็นระยะระยะนอกจากนั้นก็พวกพึ่งตัวโตๆที่บินว่อนอยู่ทั่วไปและมักจะบินติดตามมาเกาะตามตัว เป็นเรื่องร้องอุบอิบในลำคออย่างรำคาญแต่พรานใหญ่ทำสัญญาณบุยบายให้หล่อนอยู่ในอาการสงบและชี้ที่อกเสื้ออันรุ่ยร่ายแบะดุมไว้ลึกจนมองเห็นร่องอกสีชมพูเตือนหล่อนให้กลัดกระดุมเสียให้มิดชิดป้องกันไม่ให้เจ้ า, มาแมลงมีพิษที่ตามบินเกาะนั้นไต่เข้าไปยังผิวใต้ร่มผ้าได้ ประมาณสีเมตรเบื้องหน้าของทิศ ท, ทางที่จอมมัคคุเทศทําหน้าที่เป็นเรือนนาร่องไปก่อนและเห็นป่าหินย่อมๆขวางอยู่เบื้องหน้าในระดับของเนินที่สูงขึ้นไประพินหยุดยืนมองไปรอบๆในทิศ ท, ทางเบื้องหน้าเบนเอาหลังพิงโคนไม้ต้นหนึ่งไว้อ่าปากขอบเหงื่อเต็มหน้าเราก็เอาน้ําพรมหลังเห็นเขาหันกลับไปมองดูขบวนลูกหาบซึ่งมีเกิดและเสย หาบคู่กันนำมาข้างหน้าแล้วโบกมือเป็นสัญญาณให้เดินอ้อมเนินไปทางพงรกด้านขวาโดยไต่ไปตามทางเดินเล็กๆของสัตว์บางประเภทเรียบริมขอบหบเหวตัวเองยังยืนเหมือนจะรอท้ายขบวนอยู่ตรงนั้นโดยมีพวกลูกหาบเฉียดผ่านไปเป็นลำดับจนกระทั่งกลุ่มของนายจ้างท้ายขบวนเดินตามกันมาถึงทุกคนมีสีหน้าแปลกใจเล็กน้อยที่เห็นจอมพรานกระเบล หยุดยืนรออยู่บนป่าหินนั่นมีแอ่งน้าย่อมย่อมอยู่แอ่งหนึ่งเขาบอกกับทุกคนที่เดินตรงเข้ามาหาฝนตกบักฝนตกหนักเมื่อบ่ายวันนี้ตรงที่เราพักกันอยู่ในป่าไผ่แต่บริเวณนี้ไม่มีร่องรอยของฝนเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตรวจดูแอ่งน้านั่นหน่อยพวกท่านจะพักเหนื่อยรออยู่ที่นี่ก่อนก็ได้นะครับประเดี๋ยวผมจะกลับลงมาแลวเราจะเดินไปด้วยกัน เอาเป็นว่าตอนนี้ปล่อยให้พวกหาบของล่วงหน้าไปก่อนแล้วกันมีอะไรน่าสนใจบนนั้นเหรอคุณแล้วทําไมคุณไม่พวกเราขึ้นไปด้วยละ่ะสเตลีถามระพินถอดหมวกออกมาเป่าไล่อากาศที่อบอ้าวอยู่ในหมวกของเขาแล้วครอบหัวตามเดิมก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษหรอกครับด็อร์ผมเพียงแต่จะขึ้นไปตรวจระดับน้ําที่เคยผุดซึมขึ้นมาจากแหล่งน้ํำซับ และร่องรอยอะไรบางอย่างเท่านั้นเองลักษณะของแอ่งน้ํามันแปลกมากตาปกติแล้วแหล่งน้ําจะอยู่ในที่ลุ่มต่ําเสมอไปแต่นี่มันไปมีอยู่บนเนินสูงพวกสัตว์ป่าและคนป่าที่เดินผ่านไปมามักจะอาศัยแหล่งน้ํานั่นเสมอเพราะถ้าเป็นฤดูแล้งจะมีอยู่แห่งเดียวเท่านั้นในละแวกห้าไมารอบด้านนี้พวกคุณอยากจะตามขึ้นไปดูด้วยก็ได้ครับแต่ผมเห็นว่าทุกคนเหนื่อยมากแล้ว ก็อยากจะให้ฉุยโอกาสพักขาตรงนี้ก่อนจะให้บุญคำอยู่เป็นเพื่อนครับทุกคนที่ตามมาถึงภายหลังต่างเลือกหาที่นั่งพักและดื่มน้ำในกระติกหัวหน้าคณะบบกมือกับเขาอืมดีเหมือนกันเราจะรอคุณอยู่ที่นี่นะแต่หวังว่าคงไม่นานนักนะครับเพราะลูกหาบล่วงหน้าไปโน่นแล้วไม่ไปไรหรอกครับให้เขาล่วงหน้ากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะตัดทางสกัดหน้าแล้วก็พบกันได้อีก พวกเราเดินกันตัวเปล่าบุกพงไตเขาได้สะดวกกว่าพวกที่เขาหาักของหนักครับกล่าวไม่ทันจบประโยคดีระพินก็ไต่แง่หินบ่ายหน้าขึ้นไปยังจุดหมายที่ชี้บอกทันทีกลุ่มนายจ้างทั้งหมดรวมทั้งบุญคำที่ถูกทิ้งไว้ให้เป็นเพื่อนอีกคนนึงพากันพักอยู่ตรงบริเวณตีนเนินนั้นดื่มน้ำสูบุรีและสนทนากันเบา ร่างของพรานใหญ่ที่ไต่ขึ้นไปตามพื้นลาดชันอันอุดมไปด้วยก้อนหินที่งอกขึ้นมาเกะกะห่างสูงขึ้นไปทุกทีแล้วชั่วไม่กี่อืดใจก็รับหายไปในเงาบางของหมู่โขดหินอันสลับซับซ้อนนั้นตลอดระยะทางที่ผ่านมาเชิดพุดหาโอกาสเดินล้าหลังอยู่ใกล้ชิดกับบุญคําและชวนคุยซุบซิบซุบซิบกันอยู่ตามลาําพังโดยที่สเตนลีคีตและคริสติน่าก็ไม่ได้หันมาสนใจอะไรด้วย ตาพรานเท่าเริ่มเล่าให้เขาฟังแล้วถึงความลี้ลับของนิทรานครเรื่องอาถรรพ์ของมหาคัมภีรอุบาทที่ชื่อมายาวินจอมผีดิบมันไตรซึ่งถ่ายทอดวิญญาณร้ายสลับกันกับเสือโครงดำสุสานมัมมี่อันเร้นลับไม่สามารถจะคำนวณอายุได้และผลที่สุดความอาถรรพ์ทั้งหมดก็ถูกกระพินไรวันแก้ตกทาลายล้างจนเสื่อมสิ้นไปก่อนที่จะออกเดินทางต่อในครั้งนั้น จากคําบอกเล่าของบุญคําซึ่งไม่มีอะไรจะต้องปิดบังเชิดบุตรทั้งนี้โดยคําอนุญาตของพรานใหญ่นั้นทําให้นายทหารหนุ่มเต็มไปด้วยความโงนสนเทและมหัศจรรย์ใจขีดสุดมันเป็นเรื่องพิสดารหรือเชื่อแต่ก็ไม่อยากที่จะคิดได้ว่าสิ่งที่บุญคำเล่านั้นเป็นเรื่องเท็จและเมื่อได้พิจารณาไตรตรองแล้วในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคณะเมื่อคืนที่ผ่านมาเกี่ยวกับซา ข, ของมัมมี่ประหลาดที่เข้ามาอารวาต พร้อมๆกับขลงช้างไอ้งาดํามันก็ดูจะมีค้าวเงื่อนที่เชื่อมโยงกันได้แล้วน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมากสิ่งที่บุญคํายอมเล่าให้เขาฟังนั้นไม่ใช่แกจะนําเรื่องนี้มาพูดขึ้นเองหากแต่เป็นคําขอร้องของเขาเพราะขณะที่คุยอยู่กับ ร, รพินก่อนหน้าออกเดินทางมานั้นมีอะไรอยู่หลายสิ่งหลายอย่างที่เชิดวุฒต้องการจะทราบให้ลึกซึ้งลงไปกว่านั้น เพราะตนเองก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องลึกลับสังเกตดูบุญคำก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะักหากแต่ถูกเขาซซวซีสซักถามจึงลให้อยฟังอย่างเสียไม่ได้เชิดวุฒิเดินคิดหนักมาตลอดทางและไม่ได้เข้ามาร่วมกลุ่มอยู่กับคณะอเมริกันอีกเลยเพื่อจะหาโอกา ส, สกซักไยไล่เลียงบุญคำให้หมดข้อสงสัยในทุกสิ่งทุกอย่างที่คณะของมอมราชวงศ์เชิดาวราริศภายใต้การนำทางของระพิน ได้ประสบพบเห็นมาก่อนแล้วคำบอกเล่าของบุญคำยังไม่ละเอียดนะมันสุดแต่ว่าเขาจะถามเช่นไรแกก็จะตอบเฉพาะคำถามนั้นๆซึ่งไม่ช่วยอะไรให้กระจ่างชัดในความรู้สึกของเขาหรือจะรู้ก็รู้แต่เพียงว่าเจ้ามอนสเตอร์หรืออามานุษย์ที่ข้ามาก่อความโกลาหลของคณะเดินทางเมื่อคืนที่ผ่านมารวมทั้งลากลูกหาไปสังหารดวยวิธีหักคอเะสองคน จะต้องมีอะไรเกี่ยวพันกับความเป็นมาแห่งนิทรานครที่รพินกับพวกเคยเผชิญมาแล้วเท่านั้นซึ่งนั่นเป็นความเชื่อมั่นของตาพรานเท่าบุญคำโดยเอาประสบการณ์ของแกที่เคยพบจากพฤติการของจอมผีดิบมันไรมาก่อนแล้วเป็นข้อระแวงสงสัยขณะที่ยังพากันนั่งพักรอฟังข่าวจากพรานใหญ่อยู่นั้นเชอุตรไม่ทิ้งโอกาสที่จะประกบตัวบุญคำว่าอีก ทั้งสองนั่งพูดกันซุบซิบตรงพูรากไม้ใหญ่ต้นหนึ่งห่างจากฝ่ายอเมริกันทั้งสี่คนออกมาโดยเสียงพูดจะไม่แววไปถึงและกลุ่มอเมริกันก็ยังไม่ได้ระแวงหรือสนใจอะไรที่เขาคุยอยู่กระบุญคำตามลำพังเพราะมักจะเห็นอยู่แล้วว่าเชิดวุธมีความสนิทสนมชอบคุยกระบุญคำเป็นพิเศษอันเนื่องมาจากแกเป็นคนที่แกที่สุดในคณะมีรมขันทะลึง่งตลุกขนองโปกฮาอยู่เป็นประจำ วิธีที่จะล่อให้บุญคำพูดก็คือติดสินบนโดยเหล่าพอเชิดบุตรส่งกระติกบรรจุบรนดีให้แกดวดเข้าไปสามสี่อึกอดีตพรานใหญ่แห่งเขาอึมครึมสมุนมือขวาของระพินไพรวันก็ไม่คิดจะปิดบังอะไรเชิดบุตรอีกแล้วเรื่องของนิทรานครก็ไหลลังออกมาจากปากของแกปิน่นฉับฉัสุดแล้วแต่เชิดบุตรจะป้อนคำถามออกไป มันเป็นสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นให้แกเขาเหลือที่จะกล่าวได้แน่ละเรื่องราวเหล่านี้คงจะไม่ถูกเปิดเผยออกจากปากคำของระพิงอย่างแน่นอนนายทหารรู้แล้วก็เฉยไวนะ้น่ะ่าพูดอะไรพวกนายห่างหรือแมมสองคนนั่นฟังเชียวแต่ยื่นหน้าเข้ามากระซิบเสียงต่ำๆในลำคอจับเขาเขาไว้ตาเหลือบไปยังกลุ่มนายจ้างที่นั่งพักเหนื่อยและคุยกันเองอยู่ ถึงนายทหารเองก็เหมือนกันบุญคําจะไม่ยอมบอกอะไรเลยนะ่ะถ้าไม่ใช่เพราะนายราพินอนุญาตไว้ไอ้เรื่องแบบนี้นะเล่าไปก็ไม่มีใครเชื่อนอกจากจะพบเห็นกับตาแต่พวกของบุญคนะําน่ะเป็นพยานได้ทุกคนเพราะเจอมาพร้อมๆกันนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นไอ้จันไอ้เกิดแล้วก็ไอเ้เซยอ้ตอนบุกเทือกพระสิวะครั้งนั้นน่ะมันมีเหตุการณ์พิสดารที่พูดให้ใครฟังไม่ได้ หลายเรื่องหลายตอนหรือเกินเหตุการณ์ของนิทรารนักขอนี่มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งในจํานวนเรื่องมหัศารจันหลายสิบเรื่องที่พวกเราพบกันมาแล้วเชิดบุตรอัดควันบุหรี่ลึกแล้วคว้าเอากระติกแบรนดีในมือของบุญคำไปซัดจะอึกใหญ่ก่อนจะส่งให้แกอีกครั้งสะบัดหน้าอย่างมึนงงมันเป็นเรื่องที่ฉันไม่คาดคิดมาก่อนเลยนะ ว่าจะได้รับฟังจากใครบอกให้นักเล่านิยายโกหกเก่งที่สุดให้ฉันคิดโกหกขึ้นมาเองฉันก็ยังไม่สามารถจะโกหกเรื่องราวได้อัศจรรย์เหมือนอย่างที่บุญคำเล่านี่เออมีหน้าแล้วนะระพินถึงไม่ยอมพูดอะไรเลยนายทหารหนุ่มครางออกมาข่าวหน้าเต็มไปได้วยความงุนงงเหลือที่จะกล่าตามปกตินายทหารก็รู้นี่ ว่านายรพินแกเป็นคนไม่บูดมากอยู่แล้วยิ่งเรื่องราวที่เราไปพบกันมามันเป็นเรื่องที่พิศดารที่สุดพูดออกไปแล้วใครฟังก็หาว่าเราบ้าแกถึงไม่อยากจะเล่าอะไรทั้งสิ้นนี่แกจะต้องรักและไว้วางใจในายทหารมากเช่ยรละถึงได้ยอมให้บุญคาเล่าเรื่องนี้ให้ในายทหารฟังฉันก็เห็นใจเขานะ ที่ไม่กล้าจะปริปากบอกความจริงอะไรออกมาในเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะกับฝรั่งพวกนั้นโธ่นายทหารไอ้ฝรั่งมันจะไปเชื่ออะไรคืนล อ, อยฟังมันก็เ ด, ดมให้เท่านั้นแต้องให้มันเจอกระตาของมันเองแล้วค่อยอธิบายให้ฟังทีหลังนี่เมื่อคือนนี่ก็เจอเข้าให้บ้างแหละแต่ยังไม่ชัดเจนเดินต่อไปอีกสักนิดเถอะจะยิ่งเห็นของจริงยิ่งกว่านี้ นายรพินแกก็อึดอัดใจอยู่เต็มทีจะบอกหรือก็อา้าปากบอกไม่ได้ไอ้ครั้นจะปิดนิ่งไว้เหรออันตรายมันก็ถูกฝีก้าวแกต้องห่วงหน้าพะวงหลังสารพัดและนายทหารเอ้ยใช่ใช่ฉันเห็นใจก็มากล่ะบุญคำเชิดบุตรพยักษ์น่ารับเม้มปากแน่นตาหลีลูงฝรั่งน่ะมันเป็นพวกที่ถือตัวว่าจเจริญแล้ว เชื่อในด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าอะไรทั้งสิ้นไอ้ความลี้ลับอาถรรพ์ในโลกยีงมีอยู่มากแต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นยังไม่มาถึงตัวพวกมันมันก็ไม่ยอมเชื่อหรอกถึงจะบอกไปก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้จะเสียคนเปล่าๆนี่แต่ฉันเป็นระพินฉันก็คงยังไม่กล้าเล่าเรื่องอย่างนี้ฝรั่งพวกนั้นฟังเหมือนกันก็นา น, น, นสิแล้วนายทหารลองคิดดูสิว่านายรพินจะลำบากใจเพียงไหน ถ้าฝรั่งพวกนั้นยอมรับรู้ยอมเชื่อการระวังอันตรายหรือเตรียมรับมือก็จะง่ายค่ะแล้วถ้าไม่บอกให้รู้ก็ระวังกันลำบากมาแต่น้าที่แรกที่บุญคำไปเห็นซากผีนั่นนั่งอยู่ตรงโคตินเหนือลำห้วยสังหอนบอกกับบุญคำทันทีนะว่าถ้าเราเผลอหรือพลาดแม้แต่นิดเดียวเป็นต้องถึงชีวิตกันมากละ่ะไม่ใครก็ใคร แล้วก็จริงซะด้วยสิมันเล่นงานลูกหาบซะสองคนกัะจะเล่นแมมเบลซะอีกด้วยก็พอดีกระตินายห่างบอบแล้วพวกเขาตื่นขึ้นมาเห็นทันเกิดโวยวายกันขึ้นไม่อย่างนั้นไม่รู้แมมเบลจะเป็นยังไงมั่งแล้วหลักบานนี้เรื่องของเรื่องก็คือนายรพินแกจักไข่ไม่รู้สึกตัวสักคนเดียวเท่านั้นเพลิดเพมันก็แสกมาทันทีบุญคําเตือนแ ก, นกนแล้วเมื่อตอนบ่าย ที่พบซากไห้จัดการกับมันสะ ก, ก่อนแต่แกก็ไม่ทําอะไรทั้งๆที่แกก็สงสัยอย่างบุญคาเหมือนกันพอบุญคําจะเอาสายสินไปล้อมตัวมันเท่านั้นเสร็จมันย้ายที่ลุกเดินหนีหายไปซะละเหมือนกับสมัยไอ้มันไรไม่มีผิดตาพรานเท่าบนอูอ่อีโคลงหัวอยู่ดิดิแล้วก็สดบั่นดีในกระติกไปพลางเป็นระยะระยะ เพราะได้โอกาสแล้วเชิดพุดนิ่งคิดไปอึดใจใหญ่มันเต็มไปด้วยปัญหาเหลอเกินนะลุงคำสำหรับเรื่องราวของนิทรานครกับไอ้ผีดิบที่เข้ามาเล่นงานพวกเราเมื่อคื น, นก็ไหนลุงคำว่าคุณรพินกับพวกลุงคำล้างอาถรรพ์ของคำพีอุบาทั่นหมดลงแล้วไงไอเสือโครงดำนั่นก็ถูกระเบิดแล้ว ซากมันไรก็ถูกเผาบุนไปแล้วจนกระทั่งคณะทั้งหมดเดินผ่านกันไปได้แล้วถ้ามันมีอะไรเกี่ยวพันกันอยู่อีกไอผีดิบเมื่อคืนนี่มันจะมาจากไหนแล้วมาด้วยอํานาจของอะไรล่ะลกุก่อนนี้สินายทหารมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดแล้วก็ยังคิดกันไม่ออกไงระหว่างนายรพิน์กันบุญคําเองเพราะฉะนั้น ถึงไม่กล้าบอกอะไรให้มันแน่ชัดลงไปได้เราจะต้องดูมันต่อไปอันตรายจากสัตว์ป่าธรรมดานะ่มันเล็กน้อยมากในทหารแต่อันตรายจากความลี้ลับอาถรรพ์ของป่าฆ่าพรานหรือนักเดินป่ามาสนักตอนนักแล้วใครรอดตายหนีพ้นฝ่าฟันออกมาได้ก็ไม่มีปัญญาที่จะอ้าปากเล่าให้คนอื่นฟังได้ รู้กันเฉพาะพวกเราที่ผ่านพบมาด้วยกันนั่นแหละนายทหารอยากจะรู้อะไรดีๆก็หาโอกาสคุยกับ น, นายรพินดูเถอะแกคงไม่ปิดนายทหารหรอกแล้วแกก็รู้อะไรลึกซึ้งกว่าบุญคำนายรพิน์ไม่ได้ชํานาญแต่เฉพาะการเดินป่าเท่านั้นน่ะไซยเวทอาคมเวทมนต์คาถาน่ะแกก่็เหนือกว่าบุญคํามากนักเว้นแต่แกจะไม่ยอมบอกให้ใครรู้ บุนคํานะแค่ลูกสิเท่านั้นแหละนายทหารเลยและตาเท่าจอมสั ป, ปรูซึ่งบัดนี้ไม่ได้มีอาการคึกขนองทะลึ่งโลนเหลืออยู่เลยเมื่อเล่าถึงสิ่งที่ประจนภัยมาก่อนก็ชี้ไปที่พระเครื่องซึ่งเชิดวุดห้อยคออยู่นัน่หลวงพ่อของนายทหารองค์นั่นน่ะมันอาราธนาไว้ดีเอถอะแต่แกไม่รักและเป็นห่วงนายทหารจริงๆแล้วก็ แกก็คงไม่ขอดูพระที่ห้อยคอของนายทหารแล้วเตือนในคอยอาราธนารอกเชิดบุตรเอามือตะบบหลวงพ่อไว้สูดลมหายใจลึกอย่างมั่นใจแล้วบอกว่านั่นสิครั้งแรกฉันยังไม่รู้เรื่องอะไรนะตอนที่เดินเข้าไปร่วมวงนั่นน่ะเพอะคุณรพินก็ถามถึงพระเครื่องว่าฉันมีใช้ประจำตัวอยู่บ้างหรือเปล่าฉันขนลุกสู้เลยลูก รู้สึกทันทีว่าถ้ามันจะไม่ชอบมาภากลใช่ลเออแล้วพวกของลุงอะไม่ต้องห่วงหรอกนายทหารลูกศิษย์ของนายรพินทุกคนอะมีของดีไว้คุ้มตัวอะทั้งนั้นแกเรียกมาแจกเป็นรายคนเลยถึงยังไงพวกเราก็เอาตัวรอดได้เป็นห่วงก็แต่ฝรั่งพวกนั้นเท่านั้นแหละเรากำลังเผชิญหน้ากับสายเวทอัปรีของไอ้ผีราย ที่เต็มไปได้วยอำนาจลึกลับที่สุดบุญคําเองก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรแน่แต่สังหรณ์ขึ้นจับใจว่ามันจะต้องเกี่ยวโยงกันา น, านิทรานครที่พวกเราเคยถล่มมาแล้วนั่นแหละแต่อีกคราวนี้ไม่รู้มันจะเล่นกับเราไม้ไหนนายทหารต้องคอยเป็นหูเป็นตาแทนพวกของบุญคําด้วยเพระอยู่ใกล้ชิดกับฝรั่งพวกนั้นเวลานอนก็นอนรวมหมู่อยู่กับพวกเขา อย่าให้พวกเขาขัดขืนคำสั่งนายรพินเดินแยกเดียวออกไปโดยไม่มีใครอย่างเด็ดขาดไว้ใจไม่ได้เลยโดยเฉพาะแหม่มสองคน น, น่ขนาดเดินลับตากันแค่ซุงมไม้หรือจอมปลวกเท่านั้นไผมันก็เข้าถึงตัวได้ก่อนที่จะช่วยเหลือทันเอาละ่ะฉันจะคอยช่วยสอดส่องระวังพวกเขาไว้อีกทีมันน่าปลุ่งใจนะ ที่เราบอกความจริงทั้งหมดเขาฟังในขณะนี้ไม่ได้ซึ่งก็ทำให้ต้องคอยเป็นภาระระวังพวกเขาเพิ่มขึ้นเพราะความที่เขาไม่รู้อลยว่าแต่ลุงคำพอจะรู้ไหมเนี่ยว่าเส้นทางเดินของเราจะผ่านเขตมิตรานครอีกหรือเปล่าประโยคสุดท้ายนายทหารหนุ่มกระซิบถามตาพรานเท่าเอามือลูบหัวแล้วสายหน้าไปมา บุญคำก็ไม่รู้เส้นทางเดินของนายราพินเหมือนกันจะรู้เฉพาะแต่ละวันที่แกกาห น, นดให้เท่านั้นแหละไอ้นิทรานาครที่เราผ่านเข้าไปในครั้งนั้นพวกเราทั้งหมดเดินหลงก็ไปเองไม่มีแผนที่ไม่มีเครื่องหมายอะไรชี้บอกและตัตั้งใจจะไปกันจริงๆบุญคำเองก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะเข้าถูกทางหรือไม่ เข้าไปแล้วบุญคำจำมันได้หลักฐานเก่าๆก็จะต้องล้งเหลืออยู่ให้เห็นอย่างน้อยก็ปราสาท พ, พันธุมวดีที่นายใหญ่สั่งให้เอาระเบิดถล่มลงมาราพนาศูนบุญคำเองก็อยากจะกลับไปเห็นอีกครั้งเหมือนกันจะได้ยืนยันได้แน่นอนว่าในครั้งนั้นพวกเราทุกคนไม่ได้ฝันกันไปนหะและบุญคำก็ชะนักกึกไปเฉย เอามือสะ ก, กิดเขาเชิดวุฒิพอนายทหารหนุ่มเหลียวหน้าไปมองตามตามผ่านเท้าก็เห็นคริสติน่าเดินเข้ามาใต้ถึงตัวแล้วนี่สองคนนี่คุยกันกหนุ่มกันหนิงเหมือนคู่รักเชยนะหล่อนเอ่ยขึ้นเมื่อก้าวเข้ามาหยุดยืนตรงหน้าขอเข้ามาขัดจังหวะหน่อยเถอะเพราะเห็นเกาะเดินเกาะคู่รังท้ายพูดอะไรกันมาตลอดทางแล้วจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ ออาละขอร่วมวงด้วยสักคนจะรังเกียจไหมตาเท่าจาเรืองมองดูเชิดบุตรแล้วหัวร้อแห่ๆกลบเกลื่อนแต่นายทหารหนุ่มวางหน้าเฉยขณะนี้หล่อนยืนอยู่บนโขดหินสูงกว่าระดับที่เขากระบุญคำนั่งพูดคุยกันอยู่และเป้ากางเกงปรากฏเป็นรูปตัววีเด่นชัดยิ่งเปียกชุ่มไปด้วยเหงือ่อราวกะลงไปแช่น้าทั้งตัวแบบนี้มันก็ยิงแนบเนื้อ ฟองสันฐานชนิดที่คาดไปไม่ถึงว่าคนที่มีเอวองค์อรชนอยู่ในเกณฑ์สูงเพรียวอย่างคริสติน่าจะซ่อนรูปได้ถึงเพียงนี้นายทหารหนุ่มไม่ได้มองไปที่ใบหน้างามนั้นแต่กลับไปจ้องที่ระดับกลางลำตัวซึ่งอยู่ในระยะสายตาของเขาพอดีมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่เท่าเจ้าเล่ประจําป่าพึ่งพำมออกมาว่ามาลักกะดีแท้ คริสติน่าคงไม่ได้ยินหรือมิฉะนั้นก็คงจับเสียงอุบอิบของบุญคำไม่ถนักเพราะความสนใจของหล่อนยามนี้ไปจับอยู่ที่เชิดวุธเท่านั้นผมกับบุญคำกำลังวางแผนโฮโมกันอยู่ถ้าคุณจะร่วมด้วยก็ยินดียิ่งนี่คุณระวังถ้อยคำหน่อยนะฉันไม่ใช่เบนนะหล่อนเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษด้วยน้าเสียงชาเย็นต่าลึก ไหลสาย M16 ปากกระบอกทิ่มลงมือทั้งสองกอดอกและยืนระงานแยกขาบนโขดหินก้อนนั้นในลักษณะเดิมเชิดบุตรกระเดือกน้ำคายล้ำลายลงคอตอนนี้ดูเหมือนเขาจะลืมเรื่องที่กำลังคุยกับบุญคำหมดละคริติน่าไม่ใช่คนสวยแต่เฉพาะใบหน้าหรือรูปร่างภายนอกเท่านั้นเลือดหนุ่มขนองร้อนชาไปหมดยังไม่ยอมเปลี่ยนเป้าหมายของสายตา คิดอยู่ในใจว่าขอให้ได้โอกาสเหมาะหมะสักครั้งเทาจะปล่ำให้ได้แต่ปากเจ้าชูก็บอกไปว่าก็ใช่ไม่เหมือนกันหรอกผมว่าคุณน่าจะประทับใจกว่าเบลมากนะพักนอนคืนนี้ขอนอนไปกลายหน่อยได้ไหมนี่ถ้าสุภาพกว่า น, นี้สักนิดจะน่ารักมากนะไอ้หนูแม่ผมทองพูดรถหูขอเขา แล้วหันไปทางบุญคำถามเป็นภาษาไทยว่ามีเรื่องอะไรพูดกันมากมายขอให้ฉันรู้ได้บ้างไหมบุญคำตาพรานเท่าขยี้จมูกตอบอู้อีว่าก็ไม่ได้มีความลับอะไรหรอกแมมนายทหารแกมาคุยกับบุญคำแก่เบื่อเท่านั้นแกถามเรื่องปลานั่นแหละเรื่องไอ้ช้างงาดำไง คำพูดของบุญคำยังไม่ทันจบประโยค ก, ก็ถู ก, กลบด้วยเสียงระเบิดกึกก้องของไรฟ้ลจ .4 ดสหมันคลื่นสนันขึ้นทามกลางความเงียบสะเทือนไปตลอดบรรยากาศที่แวดล้อมอยู่คริสติน่าหันหลังขวับไปยังเนินที่ระพินหายขึ้นไปบุญคำกับเชิดบุตรเพนพรวดขึ้นยืนแล้วกระจรขึ้นมาบนก้อนหินก้อนเดียวกับที่คริสติน่ายืนอยู่ ห่างออกไปเล็กน้อยตรงตำแหน่งที่อีกสามคนนั่งคุยกันอยู่เบาๆทั้งสเตลลีคิดและเบ์พลุกขึ้นยืนพร้อมกันหมดเสียงกระสุนที่ระเบิดขึ้นนั้นดังสะท้านยาวกระทบกับขุนเขารอบดา้านแล้วแววสะท้อนกลับไปกลับมาประดุดเสียงฟ้าร้องเฮ้ย hey พวกผู้ชายหลายคนอุทานลั่นออกมาและโดยไม่ได้นัดหมายกันไว้เลยบุญคัมคริสตินาและเชิดบุตรโจรลงจาก โคดหินก้อนนั้นวิ่งเข้าไปรวมกับฝ่ายของสแตลีซึ่งกำลังยืนอยู่ในลักษณะตื่นระหนกคีดกระชากวิทยุออกมากดเรียกทันทีพร้อมกับกรอกคำพูดลงไปแล้วหรือระพินก็ไรขึ้นบาบดวนไม่มีสัญญาณตอบรับของวิทยุจากพลานใหญ่ที่หายตัวขึ้นไปบนเนินหินข้างหน้านั้นเลยทุกคนหมุนคว้างกระสับกระส่ายแล้วมองหน้ากันเอง แล้วก็สะดุ้งขึ้นสุดตัวอีกครั้งเมื่อเสียงจุด4 5 8เมตรนั่มเทะเทือเลื่อนซ้ำมาเป็นที่สองมันทอดระยะเวลาห่างจากนัดแรกเพียงแค่สิบวินาทีเท่านั้นพวกเราตามคุณไปแล้วระพินฟาด ก, กับไรเข้าให้แล้วเว้ยสตารีตะโกนลั่นอย่างลืมตัวแล้วออกวิ่งนำหน้าขึ้นไปในทันที คนอื่นๆก็กลัวตามขึ้นไปเป็นพรวนโดยไม่ยอมฟังเสียงว่าบุญคำจะโวยวายร้องห้ามเช่นไรในที่สุดดพฟาณเท่าก็ต้องแล่นตามขึ้นไปด้วยผลทางขึ้นเนินนั้นในช่วงแรกมันยังเทลาดไม่มากนะักประมาณ30องศาแต่อีกราว30เมตรซึ่งจะขึ้นไปสู่ยอดอันเป็นดงหินลาชันขึ้นในมุม45่สห้าองศาหรือมากกว่านั้นสแตนลีตะกายตัวเองนาขึ้นไปเป็นคนแรก ตามติดด้วยคีตซึ่งไล่หลังไปเกือบจะอยู่ในลักษณะเคียงคู่ถัดมาเป็นอิซาเบลและคริสตินา่าเชิดบุนั้นรังท้ายโดยมีบุญคำกวดตามขึ้นมาติดติดความตื่นเต้นต่อเหตุการณ์ซึ่งยังไม่ทราบแน่ว่าเกิดขึ้นในทํานองไหนแต่สัญชาตญาณบอกให้รู้ว่ามันจะต้องเป็นเรื่องร้ายมากกว่าเรื่องดีทาให้ทุกคนลืมความเหน็ดเหนื่อยหมดสิ้นต้องการจะขึ้นไปบนยอดของป่าหินให้เร็วที่สุด เพราะว่าโดยเส้นทางอันสูงชันนั้นทําให้ต้องออกแรงกันอย่างเต็มที่ผิดกับการวิ่งบนพื้นที่ราบหรือที่เทลงต่ําหลายเท่านักทั้งหมดจึงอยู่ในลักษณะล้มลุกคลุกคลานตะเกียกตะกายกันไปอย่างทุลักทุเลหินเอ็นก้อนหนึ่งตั้งขวางอยู่ตรงเส้นทางที่ทุกคนกําลังไตมุ่งหน้าขึ้นไปในขณะนี้ส่วนบนอวกใหญ่แต่ฐานเบื้องล่างที่ติดอยู่กับพื้นนั้นดูจะคอดกิวนิดเดียวสภาพของมัน ังอยู่มินมินในลักษณะธรรมชาติดั้งเดิมขนาดไม่ใหญ่นักแต่อย่างน้อยก็สามตันขึ้นไปบัดนี้มันเริ่มลั่นคึกและมีอาการสั่นไหวโยกคลอนเล็กน้อยคิดผู้วิ่งไตขึ้นเนินเยื้องหลังสแตนลีที่ล้ำหน้าไปก่อนเพียงแค่วาเดียวดูเหมือนจะเป็นคนแรกเพราะเงยหน้าขึ้นไปพบสิ่งผิดปกตินั้นนายพันเอกแห่งยูเอสอามีจ้องตาเหลือก ละตะ ก, กรนสุดเสียงลุกเอ้าหัวหน้าคณะผู้กำลังก้มหน้าซอยเท้าอยู่ในขณะนี้แงนขึ้นมันมันก็พอดีกับที่ก้อนหินก้อนนั้นเคลื่อนลุกจากฐานอันปักจมดินอยู่เห็นดินบริเวณฐานของมันแตกแยกฝุ่นร่วงพลูลงมาก่อนแล้วมันก็ถล่มคลืนลงมาประดุดมือยักษ์ผลักกลิ้งตามหนทางลาชันสวนตรงก็มาหาคณะทั้งหมด ที่กำลังไต่กันขึ้นไปเป็นขบวนอย่างรวดเร็วแต่ลีจ้องตะลึงพลึงเพลิดแต่คิดพิสูจน์ถึงความว่องไวและสติอันดีเยี่ยมพุ่งเข้าปะทะสาหายร่วมงานที่ยังมัวแต่ยืนอ้าปากค้างตัวแข็งอยู่กระชากลงกลิ้งกระจัด ก, กระจายไปด้วยกันโดยเบี่ยงหลบเข้าข้างทางในขณะที่หินก้อนนั้นติงสนันวันไหวลงมาอย่างน่ากลัวจากเสียงร้องของคิดและจากเสียงสั่นสะเทือนนั้น พวกกีตามมาข้างหลังก็เงยขึ้นไปเห็นวิกฤตการณ์นั้นพร้อมกันหมดและในภาวะการของวินาทีมัจจุราชอันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกินความคาดหมายได้ล่วงหน้านี้ก็แทบจะเรียกได้ว่าตัวใครตัวมันไม่มีโอกาสที่ใครจะร้องเตือนหรือช่วยเหลือกันได้อีกแล้วคริสตินาทีตัวเบี่ยงออกซ้ายของเส้นทางซึ่งกําลังไต่อยู่ริกรีงสามสี่ทอดก็้าไปหมอบหลบอยู่ใต้ก้อนหินใหญ่ ที่โล อ, อยู่ใกล้ๆเบนนั้นเพงแยกออกไปทางด้านขวาแล้วล้มกลิ้งอย่างไม่เป็นท่าตกไปอยู่ในแอ่งหินหนึ่งโดยมีเนินส่วนบนของพื้นที่ยันอยู่เชิดบุตรกบุญคำหันหลังกลับโอยอ้าวยังไม่คิดชีวิตสวนทางลงมาก่อนช่วงหนึ่งทั้งสองได้ยินเสียงคลืน่นโครมที่กวดไล่หลังมาอย่างถนัดโดยไม่สามารถจะบอกได้ว่าพวกที่ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนนั้นใครแลกเละไปบ้าน พอแล่นลงมาถึงชะง่อนหินอันมีลักษณะเหมือนขั้นพักต่างก็พร้อมใจก ร, กระโดดโดยไม่ต้องนัดลงไปยังเนยไหลเนินล้มความขมำ ง, งายไปตามพื้นที่ลาดตา่าอันเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดย่อมขึ้นอยู่ประปรายบุญคำหยุดตัวเองได้โดยคว้ากิ่งไม้ติดมือไว้ห้อยตองแตงบุตรวิทย์จะหลุดลงไปยังพื้นเบื้องล่างที่มีลักษณะเป็นหิวขางเชิดบุตนั้นระหว่างที่กลิ้งไป ซึ่งตัวเองก็ยังไม่ทราบว่าร่างกายส่วนใดพิการไปบ้างหรือไม่จากแรงเวียงแรงกระทบสำเนียกได้แต่เพียงตักปลไส้พุงมันขยักขย้อนสะเทือนไปหมดและในที่สุดก็ไปหยุดกระแทกกับโคนไม้อีกต้นหนึ่งใกล้ใกล้กับบุญคำนั่นเองไม่มีใครตั้งตัวติดในขณะนั้นและไม่รู้ด้วยว่าอาวุธที่วิง่งที่ติดมือหรือสะพายไหลของใครร่วงหล่นอยู่ที่ไหนบ้างระหว่างที่หลีกลบเอาตัวรอด หรือจะรู้ก็รู้อย่างเดียวว่าขณะนี้มือเปล่ายกเว้นแต่ใครที่มีปืนพกติดเอวอยู่เท่านั้นหินมาหาภัยก้อนนั้นกริ่งตัวลอยละลิวกระแทกพื้นเป็นฝุ่นกระจายสัพพสิงที่ควางหน้ามันอยู่ถูกชนหักทางพีนาชมันผ่านตำแหน่งที่คีดและสตารลียืนอยู่มาแล้วสะเก็ดหินปิวพลูกระเด็นมาหล่นกลาวอยู่บนหลังของบุคคลทั้งสองซึ่งบัดนี้ ซบหน้าแนบดินควายมือประสานไปต้นคอและศีรษะด้านหลังไว้แยกเขี้ยวหลับตาแน่นต่อมามันก็กระดอนก็ใส่ตำแหน่งของคริสตินากับเบลน้ำหนักอันมากกระทบเอาก้อนหินย่อมย่อมให้หลุดจากที่กริ้งตามมาเป็นบริวารลงไปอีกจากนั้นก็กวดไล่หลังทั้งเชิดวุฒิและบุญคำมาติดเพียงแต่ว่าทั้งสองวิ่งอ้าวสวนลงทางเดิม กระจรีเข้าข้างทางสะ ก, ก่อนอยางบุบบิดก่อนที่จะถูกบดเละไปในชั่ววิบตาเดียวเท่านั้นมันกลิ้งตูมตามคลื่นโคลมต่อไปในทิศทางนั้นจนกระทั่งไปหยุดอยู่ที่โคนไม้ใหญ่ตำแหน่งหนึ่งซึ่งคณะทั้งหมดนั่งพักอยู่แต่แรกเวลาทั้งหมดที่มันเริ่มเคลื่อนไหวและคิดมองขึ้นไปเห็นครั้งแรกจู่กระทั่งหล่นกลิ้งลงมาราวกับรถบดถนน กินเวลาทั้งหมดเพียงแค่ห้าหกวินาทีเท่านั้นเมื่อมันไปหยุดนิ่งกระแทกพิงโคนไม้ใหญ่ซึ่งเป็นผลให้สะเทือนโยกไปทั้งลำต้นขนาดสามคนอกระหว่างที่ทุกคนตกอยู่ในภาวะมึนงงมีความรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งโลกหมุนไปหมดขนาดนี้ต่างก็ถูกแท้ความรู้สึกขึ้นด้วยเสียงโกลจนาตระนยาวก้องดังสนัน่น มาจากตำแหน่งเดิมที่ก้อนหินมรณะก้อนนั้นวางอยู่แต่แรกนั่นเองสไตลีกับคิดมังุมมาอาหลาขึ้นยืนพอโผลหน้าพ้นซอกขินที่หลบอยู่ก็ตัวช้าดิกไปอีกครั้งร้องลั่นไม่เป็นภาษาออกมาทั้งสองคนคริสติน่ากับเบลที่กระจายกันออกไปทั้งสองฝั่งทางยังไม่ทันจะทรงกายขึ้นมาได้แต่ก็ได้ยินเสียงนั้นลั่นอือึงไปทั้งสองหูพร้อมกับพื้นดินสั่นสะเทือนอีกครั้ง สิ่งหนึ่งที่วิ่งเยาะๆๆะตามหลังก้อนหินใหญ่ก้อนนั้นลงมาเป็นสิ่งที่บีบความรู้สึกของสายตาผู้มองเห็นจะลืมตัวทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะช้างใหญ่ข น, น, นาดยักษ์ตัวเดียวโดดโดดวิ่งสวนทางลงมาพร้อมกับงวงที่ม้วนจุกปากหน้าทั้งสองข้างยาวเหยียดและเสยปลายงอนขึ้นกระทบแสงตะวันใกล้เที่ยงเป็นสีดาสนิทราวกับนิ สองหูโบกกระพือ พ, พึบผักกิริยาอาการของมันตี ว, วิ่งเยาสวนทางลงมาพร้อมกับการแผดเสียงร้องอย่างดุร้ายนั้นแทบจะทำให้ทุกคนลืมหายใจมันไม่ได้วิ่งลงมาในลักษณะตื่นตกใจหรือตอะเลิดแต่เป็นการวิ่งลงมาอย่างสง่างามและทะนงยิง่งหันรีหันขวางไปรอบรอบไดน้นอกจากมันเพียงตัวเดียวซึ่งแลดูพระหนึ่งภูเขาเคลื่อนที่ได้แล้ว ไม่มีบริวารใดๆติดตามหรือปรากฏตัวอยู่ใกล้ๆทั้งสิ่งชัดเจนแจมไสและจังหน้ากันอย่างที่สุดระหว่างไอ้มหาวายร้ายงาดำกับคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์เพียงแต่ว่าฝ่ายมนุษย์กำลังตกอยู่ในภาวะที่ไม่อาจทำสิ่งใดลงไปได้เท่านั้นเพราะแต่กระจายกันไปคนละทิศคนละทางและยังตั้งตัวไม่ติด แต่ลีกับคิดคว้ามับไปที่ไหลซึ่งตามปกติสะพายไรฟอนอยู่แล้วก็ใจหายบุบเมื่อรู้ว่ามันตกหลุดตัวไปที่ไหนซะแล้วระหว่างที่ล้มกลิ้งหลบก้อนหินกันอย่างไม่คิดชีวิตคิดกระชากปืนสั้นจุดสมห้าเจ็จากเอโดยสัญชตาตญาณแต่หัวหน้าคณะคว้าข้อมือไว้แน่นพูดเร็วปรือย่า yeah, มันกำลังผ่านเราลงไปแล้วอย่าไปสกิดเตือนมันด้วยไหมจิมฟันไรฟของแกอยู่ไหนล่ะ คิดกระซิบมาเร็วหรือเช่นกันกายสั่นเทิมไม่รู้คงตกอยู่ริมริมทางนั่นแหละโอกาสอันดีงามที่สุดผ่านพ้นสตตลลีและคีดไปซะแล้วเพราะทั้งสองปราศจากไรเฟิลขนาดหนักประจามือที่จะซัด ก, กับไอ้คนสาสผู้มีงาสีดำสนิทนั่นได้และบัรนี้มันมายืนหยุดหยุดยืนรีรอเหมือนจะมองหามนุษย์ตรงตาแหน่งที่คริสติน่าและเบนแอบหลบอยู่ คนละฟัาทั้งสองสาวมองเห็นมันอย่างถนัดชัดเจนแต่ไม่มีใครกล้าเพยเยอะตัวโผล่สีสษะขึ้นมาเลยนอกอย่างซุ่มนึ่หัวใจแทบจะเป็นหลุดออกมานอกซวงอกคริสติน่าและเบนก็ทำคู่ปืนคู่มือพลัดหล่นเช่นกันและความฉลาดสอนให้รู้ว่าหากใช้ปืนพกที่ติดตัวอยู่ยิงเมื่อไรก็เท่ากับฟ้องตำแหน่งที่ซ่อนและให้มันตรีเข้าขยี้ เมื่อนั้นชั่วไม่ถึง อ, อึดใจที่หมุนควางร้องก้องคำรามเหมือนจะท้าทายฝ่ายมนุษย์แล้วไอ้คชสารก็บ่ายหน้าลงไปเนินวิ่งปาทล่มหายลับไปชั่วพริตาก่อนที่ใครจะทันควานหาอาวุธหนักขนาดพอที่จะต่อรองกับมันได้ทุกคนในจุดต่างๆที่กระจัดกระจายกันอยู่ในเวลานี้ มองเห็นมันเต็มตาที่สุดเป็นครั้งแรกแม้จะในช่วงระยะเวลาอันสั้นไอ้งา a ดำมีตัวตนอยู่จริงและงาของมันก็เป็นสีดำจริงสมตามที่กระเรียงทั้งสามคนซึ่งเผชิญหน้ากับมันมาก่อนได้บอกว่าและก็ไม่มีปัญหามันเองนั่นแหละที่ลบอยู่หลังก้อนหินพอได้โอกาสที่ฝ่ายมนุษย์ไตเนินขึ้นมา ก็ใช้พลังมหาศาลงัดก้อนหินนั้นให้หล่นกลิ้งลงมาไมายจะให้บททักแหลกเหลวหมดทั้งขบวนมีหนำตัวมันเองก็ยังวิ่งสวนทางลงมาให้เห็นซะด้วยเนรพินไพรวันละ่ะบัตรนี้เขาอยู่ที่ไหนกระสุนไรเฟิลปริศนาสองนัดที่ระเบิดขึ้นเขายิงอะไรจากรูปการที่ทุกคนประเชิญอยู่ในขณะนี้บอกชัดได้ว่า รัพินคงยังไม่พบหินไอ้งาดำเลยขณะที่หายขึ้นไปบนยอดเหนือและแม้ว่าเขาจะยิงปืนขึ้นสองนัด ก, ก่อนที่ทุกคนจะไต่ตามขึ้นมาไอคนเจสานมหาการตัวนั้นก็หาได้สะดุ้งสะเทือนหรือเคลื่อนไหวตัวกระโตกกระตากใดๆทั้งสิน้นหากแต่กลับหลบซุ่มตัวนิ่งขอยจังหวะที่จะงัดก้อนหินให้หล่นลงมาปะทะสะกัดกั้นคณะที่ติดตามขึ้นไป อย่างมีเล่เหลี่ยมชั้นเชิงผิดปัญญาของสัตว์เดรัจฉานทั่วทั่วไปโกลาหลวุ่นวายกันอีกพักใหญ่ทีเดียวภายหลังจากที่ไอยักษ์งาดำวิ่งอย่างประกาศศักดิ์ศรีแฝงไว้ด้วยแววเย้ยหยันของมันหายลับเข้าไปในป่าทึบด้านล่างกว่าที่คณะอเมริกันทั้งหมดรวมทั้งเชิดวุฒและบุญคำจะวิ่งเข้ามารวมกลุ่มถามไถ่กันได้ คนทั้งหมดเต็มไปได้วยความฉุกหละหุกตามค้นหาปืนคู่มือของตนที่ลนอยู่จนกระทั่งได้ครบเชิดบุตรหัวแตกเล็กน้อยนอกนั้นต่างก็คลิกยอกคลิกยอกสะบักสะบอมและถูกแง่หินหรือกิ่งไม้กระแทกได้บาดแผลกันไปทั่วหน้าแต่ละคนหน้าขาวเปื้ออยู่ในอาการเต้นเร่ากันไปหมดหนาทีที่ผ่านพนไปหยกหยกนั้นต่างกระหนักได้ดีว่ามันเป็นนาทีที่ชีวิต ของแต่ละคนรอดพ้นหัตมฤตยูไปได้ชนิดเส้นยาแดงผ่าแปอย่างไรก็ตามต่างก็โล่ง อ, อกและปิติยินดียิ่งแล้วที่ไม่เห็นใครในคณะพักพวกทั้งหกคนเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือพิการยังไม่มีเวลาที่จะพูดอะไรกันได้มากทั้งสิน้นในเมื่อทุกคนยังจิตใจจดจ่ออยู่กับพรานใหญ่ผู้ภายหลังจากระเบิดกระสุนไรเฟิลขึ้นสองนัดแล้วก็เงียบหายไป ราวกับว่าเขาได้อันตรทานไปจากโลกนี้ซะแล้วทุกคนตามบุญคํามาเร็วตาเท่าสมุนมือขวาของระพินร้องบอกขึ้นตัวแกเองก็ไต่เลี้วนําขึ้นไปก่อนโดยสวนขึ้นไปยังตําแหน่งที่หินเอ็นก้อนนั้นถูกงัดให้กลิ้งลงมาทั้งหมดจึงไต่หลังไล่หลังแกขึ้นไปโดยเร็วชนิดแข่งกับเวลาไม่มีใครคิดที่จะหันไปติดตามไอ้งาดํา ซึ่งแหล่นตะโพงราบปาลับตาไปแล้วเพราะมีเรื่องสำคัญที่จะต้องห่วงกังวลถึงมากกว่าชั่วครู่เดียวต่างก็มาถึงบริเวณป่าหินเป้าหมายที่เห็นระพินลับตาหายไปเมื่อไม่เกินสิบนาทีมานี้บริเวณนั้นเป็นพื้นหินผสมกรวดเกลี้ยงโล่งปราศจากต้นไม้ใดๆทั้งสิ้น มีแต่หินผุดโผลงอกตะปุมตะปำอยู่ทั่วไปเล็กบ้างใหญ่บ้างและมาถึงยอดเนินแล้วเช่นนี้จึงสังเกตเห็นได้ชัดว่าหินก้อนที่กลิ้งลงไปนั้นถูกพลังมหาศาลของไอจา่าโขลงช้างเพชชคาตผลักดันและเสรยงัดให้มันหลุดออกจากตำแหน่งที่จมพื้นอยู่เดิมมองเห็นเป็นบ่อรอยดินลูกรังแยกออกทั้งกระบี่บุญคาไม่พูดอะไรมาก เพียงแต่ชี้ให้ทุกคนดูคิดสะบทลั่นดางมีความรู้สึกตรงกันหมดคือเสียดายโอกาสอันดีเลิศนั้นที่จำเป็นจะต้องปล่อยให้ไอ้ช้างผีสิงลอยนวลหลุดรอดไปได้โดยเดินเฉียดผ่านที่ซ่อนกันอย่างหัวซุกหัวซุนของทุกคนเพราะต่างฝ่ายต่างปืนหลุดมือไปหมดไม่มีใครสามารถลั่นกระสุนฝากแผลให้กระมันได้แม้แต่นิดเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ยังจัดว่าโชคดีมากแล้ว ที่มันเองก็มองไม่เห็นกลุ่ ม, มนุษย์ที่กระจัด ก, กระจายซ่อนเร้นตัวอยู่ในขณะที่มันแล่นสวนตามก้อนหินนั้นลงไปเพียงอีกประมาณ20เมตรเท่านั้นที่บุญคำนำทั้งคณะเลี้ยวลัดไปตามหมู่โขดหินที่ขึ้นอยู่อย่างสวยงามนั้นทุกคนก็มาถึงบริเวณแอ่งน้ำเล็กๆ เ, เนื้อที่ไม่เกิน15ตารางวาลักษณะเป็นรูปวงรี ภายในที่ล้อมของโขดหินรอบด้านบริเวณริมแอ่งเป็นกรวดเมต็ดโตมีเส้นทางด่านเข้ามารวมจุดอยู่ยังตำแหน่งนี้ทุกทิศทางแอ่งน้า น, นี่แหละที่พรานใหญ่บอกว่าจะขึ้นมาดูล่ะบุญคำตะโกนบอกทุกคนแล้วออกเดินตรวจอย่างรวดเร็วไปรอบๆ อ, อีกห้าคนก็กว่าสายตาไปทุกทิศทางในลักษณะช่วยกันสังเกตร่องรอย พื้นแห้งสนิบและเป็นกรวดหินซะเป็นส่วนมากไม่สามารถจะเห็นข้าวเงื่อนอะไรได้ทั้งสิ้นทุกคนมาถึงที่นี่ในลักษณะเนื่อยกระหืดกระหอบเชิดพุธนั้นก็ยังไม่มีเวลาแม้แต่จะตรวจดูบาดแผลแตกตรงตีนผมบริเวณหน้าผากด้านซ้ายซึ่งไม่ทราบว่าไปกระทบกับอะไรเข้าปล่อยให้เลือดที่ไหลซึมอยู่ตลอดเวลาหยดลงมาอยู่เหนือคิ้ว พอจะเข้าตาก็ป้ายแขนเสื้อขึ้นเช็ดสะทีหนึง่งสไตลีเองก็เลือดโซมไปทั้งแขนซ้ายเนื่องจากครูดกระแง่หินระหว่างที่คิดกระชากกริ่งเบล่ะเสื้อขาดได้ระดับใต้ระดับซวงอกเป็นปากฉลามและคริสติน่าก็ตะเข็ดเป้ากังเกงซึ่งตึงอยู่เดิมบัดนี้แยกออกเป็นทางยาวร่วมสีนิ้วจนมองหินก็ไปถึงซับในสีดาซึ่งไม่มีใครหันมาสนใจกับตัวเองก่อนทั้งสิ้น สังเกตดูตาพรานเท่าเห็นเดินพลานรอบๆบแอ่งน้ำนั้นระดับน้ำที่พุซึมขึ้นมาจากใต้ดินอันเป็นบริเวณเนินสูงแห่งนี้จะลึกเท่าไรไม่ทราบเพราะมองไม่เห็นก้นของมันเนื่องจากลักษณะน้ำผิดปกติไปจากที่ทุกคนเคยเห็นมันขุ่นคลักราวกับสีโอนติง่งบุญคำมีสีหน้าแสดงความโงนสุดขีดต่ตางพากันนิ่งไปชั่วขณะ แล้วสายตารวมจุดไปอยู่ที่บุญคําซึ่งเดินวนเวียนอยู่สองรอบแล้วนี่บุญคาตรวจ ด, ด้วยแน่ชัดสิระพินผ่านมาตรงบริเวณ น, นี้หรือเปล่าสแตนลีย์ร้องสั่งมาบุญคํามีสีหน้าที่ยุ่งสันหัวอยู่ดิกๆแต่ยังไม่พูดอะไรสุดตัวลงวักน้ำขึ้นมาดมๆขนาดนั้นเองเชิดวุฒิก็เอาผ้าเช็ดหน้าออกมา ลงที่ขอบแอง่งขยับจะจุ่มผ้าเช็ดหน้าลงไปเพื่อใช้ซับเลือดตะพานเท่าเรือห็นก็โดดจับข้อมือไว้อย่างทันการรองลั่นอย่ายุ่งกันน้ำนี่เป็นอันขาดนะนายทหารหนุ่มชะ ง, งักหน้าตื่นทุกคนก็จ้องหน้าแกเป็นตาเดียวบุญคำฉุดแขนให้เชิดวุดถอยห่างออกมาเสียงแกวยวายละล่ำละลังละล่ละลักมาอีก แต่ก่อนนี่นะ่ะน้ำในแอ่งนี่มันใสาราวกตาตะกระแตนแต่ตอนนี้มันขุ่นออกสีน้ำตาลกลายเป็นน้ำพิษไปแล้วโนดูโน้นสิได้ชี้มือไปกลางแอ่งซึ่งมีกิ่งไม้สดบางชนิดท่อนขนาดหน้าแข้งยังมีใบที่เขียวสดอยู่ราวกับมีใครเพิ่งตัดหรือหักมาจากไหนสักแห่งแล้วโยนลงไปไว้กลางแอ่ง ส่วนใหญ่ของมันจมอยู่ใต้น้ำซึ่งมีระดับไม่ลึกนักโผล่แต่ส่วนปลายขึ้นมาให้สังเกตเห็นได้อะไรนะ่ะบุญคำทุกคนร้องออกมาเป็นเสียงเดียวดูที่กิ่งไม้นนทีมันเพิ่งถูกลากออกมาโยนทิ้งไว้ในแองยางของไม้ชนิดนี้นะ่ะเป็นพิษอย่างแรงมันกระจายออกมาจากกิ่งที่หักผสมกับน้ำ ทำาไม่สีของน้ำข้นไปหมดสัตว์ทรืคนกินเข้าไปก็จะตายภายในไม่เกินชั่วโมงเดียวใครมีบาดแผลสดย้ายน้ำในแอ่งนี่ถูกไปนั้นขาดทุกคนถอยห่างออกไปเสียงของบุญคำเอตโตโรโวยวายอยู่เช่นนั้นพร้อมกับโบกมือไล่อยู่ยิกยิกทั้งหมดอุทานแทรกในลำคอแล้วถอยห่างออกมาทันทีมันหมายความว่ายังไงกันนี่บุญคา ใครเป็นคนเอากิ่งไม้ที่ยังเป็นพิษอย่างแรงมาทิ้งไว้ในแอ่งนี่แล้วทําเพื่ออะไรกันสแตนลีย์ถามเสียงลังเลพอๆกันบุญคาไม่รู้ไม่รู้ว่าใครเอามาทิ้งไว้แต่สังเกตดูลักษณะกิ่งไม้นะ่ะมันสดชดอยู่แสดงว่าไม่นานานักนี่เองแต่ที่แน่แนก็คือมันวางยาพิษไว้ที่แอ่งน้ำตรงนี้ ไม่ให้ใครมาใช้ได้ไม่ว่าคนหรือสัตว์มันเป็นเจตนาที่จะทําลายแหล่งน้ําหรือวางยาดักไว้เพราะมันรู้ว่าป่าแถบนี้ไม่มีแหล่งน้ำที่ไหนอีกเลยทุกคนตะลึงงันกันไปอีกครั้งด้วยปริศนาเบียหันมาทางแม่เพื่อนสาวอันเป็นนักเคมีฟิสิกส์กระสิบนี่คริสเป็นไปได้ไหม อย่างที่บุญคำว่าเกี่ยวกับกิ่งไม้กิ่งนั้นที่จะทำให้น้ำแอ่งนี้มีพิษนะ่ะคริสติน่ากัดริมฝีปากรีตาลงมองจับนิ่งไปยังสีขุ่นของน้ำในแอ่งซึ่งบางตำแหน่งยังเห็นน้ำใสเป็นสายพวยพุ่งรินรินขึ้นมาปากบนแล้วถูกกลืนไปด้วยความขุ่นที่หนาแน่นกว่ามีต้นไม้และพืชของเมืองร้อนอยู่หลายชนิดนะ ที่ยางของมันมีพิษอย่างแรงทำให้เกิดการเบื่อเมาและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ถ้าดื่มกินน้ำที่ผสมยางไม้นั้นเข้าไปยาพิษที่เป็นอันตรายต่อระบบโลหิตซึ่งพวกคนป่าใช้ชุบกาลูกดิดชุบหัวลูกศร ส, สาหรับไว้สังหารศัตรูก็ทำมาจากยางไม้ประเภทนี้แหละบุญคำและพวกพรานป่าที่ชนานาญย่อมจะรู้จักได้ดีกว่าเราเพราะฉะนั้น ก็น่าจะเชื่อเขาได้ละเบ็ดทั้งนั้นก็แปลว่ามีใครมาดักวางยาเบื่อพวกเราไว้ถ้ารู้ทันก็ไม่ต้องกินน้ำถ้าไม่รู้ก็ตายเชือดวุตะโกนก้องออกมากดแดมิทคิดแหกปากตะโกนสาดแช่งกึกก้องเสียงนั้นสะท้านก้องไปในป่าหินแล้วก้มลงคว้าหินเขืองก้อนนึงขึ้นมา วางตูมลงไปกลางเองน้ำยางเดือดดานบา้าคลั่งสัญญาณร้ายที่ทุกคนเผชิญอยู่ในขณะ น, นี้มันเต็มไปด้วยเลนสไนลยลี้ลับเกินกว่าที่จะค้นหาแหล่งที่มาได้ว่าอะไรมันคืออะไรโชคดีมากสำหรับทุกคนที่ระพินทิ้งบุญคําไว้ให้คอยเป็นพี่เลี้ยงเพราะต่างกำลังกระหายน้ำจัดอยู่แล้วน้ำที่มีติดตัวมาในกระติกก็หมดเกลี้ยงกันตั้งแต่นั่งพักอยู่ตรงตีนเนิน และน้ำที่พอจะมีตุนสำรองอยู่บ้างขณะ น, นี้ก็ติดไปในกระบอกไม้ไผ่ของพวกลูกหาบที่แยกทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วถ้าหากไม่มีบุญคาร่วมเหตุการณ์อยู่ด้วยก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทุกคนจะไม่แต่ต้องดื่มกินน้ำในแอ่งนั้นเพราะไม่เฉลียวคิดมาก่อนและเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการนายคิดตะโกนสาบแช่งดา่าวยวายและมีทีท่าว่าจะอรารวาดเอากะก้อนหินรอบตัว เบนโดดเข้าตบหลังปาบใหญ่พร้อมกับตวาดลั่นเขาจึงได้สติยืนกัดกรามนิ่งอยู่คริสติน่าเอาแขนเสื้อป้ายเช็ดหน้าบัดนี้ลำคอของหลอนแห้งผากสุดกายลงไปนั่งบนโขดหินอย่างหมดแรงส่วนหัวหน้าคณะยืนพินิษดูแอ่งน้ำและกิ่งไม้ที่แช่อยู่กลางแอ่งอย่างพินิษไค้ครวนแล้วกวักมือเรียกบุญคาเข้ามาใกล้ พราญใหญ่บอกเราว่าเขาจะขึ้นมาดูที่แอ่งน้านี่ให้เราทุกคนคอยอยู่ข้างล่างฉันเข้าใจว่าเขาคงจะมีลางสังหรอะไรสักอย่างหนึ่งบึ้งคําเชื่อไหมว่ารพินจะมาถึงที่แอ่งน้ำนี่แล้วและมองเห็นกิ่งไม้มีพิษที่แช่อยู่กลางแอ่งน้าแล้วไม่มีปัญหาหรอกนายห้างพราญใหญ่จะต้องมาดูที่แอ่งน้ำนี่และเห็นแล้วแน่นอนนี่ยังไง ไม่ทันจะจบประโยคด้วยซ้ำบุญคำส่งก้นบุรีแบบฟิลเตอร์ซึ่งทุกคนจำได้ว่าพระพินสูบอยู่เป็นประจำก้นหนึ่งให้สแตนลีดูมันมีรอยสูบไว้เพียงครึ่งตัวเท่านั้นและมีรอยแบนพระเจ้าของทิ้งลงกัะพื้นแล้วเหยียบให้ดับพบที่ไหนเ น, นี่ยพบตรงโน้นจะชี้มือไปยังขอบแอ่งฝั่งตรงข้าม ฉังนั้นก็แปลว่ารพินผ่านที่นี่แล้วแน่นอนและจะต้องมีอะไรที่น่าสนใจสำหรับเขามากจนถึงกับทิ้งก้นบุรีลงอย่างกระทันหันแล้วเดินแผลออกจากที่นี่ไปปัญหามันจึงอยู่ที่ว่าเขาไปไหนและเสียงปืนสองนัด น, น่ะเขายิงอะไรตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเราพยายามเรียกทางวิทยุแล้วแต่เขาไม่ได้ตอบมาเลยบุญคายืนอึ้งเหลียวหลอกแลกไปรอบตัว ที่เต็มไปด้วยก้อนหินยังมีอะไรอีกหลายปัญหานะคะอาจารย์คริสติน่าเสริมเบาๆเสียงของหลอนแหบพระเมื่อเขาเดินขึ้นมาบนนี้โดยผ่านก้อนหินที่ถูกผลักให้กลิ้งลงไปหมายที่จะบทพวกเราเขาไม่สังเกตเห็นร่องรอยของไอ้งาดำเลยเหรอว่ามันซุ่มซ่อนอยู่แถวแถวนี้รวพินคลาดกัมันได้ยังไงแล้วก็ชั่วไม่เกินห้าหกนาทีเท่านั้น ที่พวกเราได้ยินเสียงปืนแล้ววิ่งขึ้นมาไอ้ช้างผีที่มีงาผิดกระช้างทุกตัวในโลกนี้ก็แอบย่อ ม, มาดักทางเราไว้งัดก้อนหินให้กลิ่งใส่พวกเราทั้งหมดขณะที่ไต่ทางตามเขาขึ้นมาและไอ้งาดำนั่นโดยทั่วไปมันควรจะคุมขลุ่งของมันอยู่เป็นกองทัพแล้วทาไมล่ะเฉพาะวันนี้ทําไมมันถึงได้แยกเดี่ยวมาดักเล่นงานเราอยู่ตัวเดียวโดยไม่มีพักพวกบริวารของมันเลยสักตัว มันมีอะไรเกี่ยวข้องกับกิ่งไม้มีพิษที่แช่อยู่ในแอ่งน้ำนั่นหรือเปล่าทุกคนเข้ามารวมกลุ่มกันอีกครั้งเต็มไปได้วยควา ม, ม ง, งุนงงมืดมนไปหมดพึงคำแตลีหันไปทางพรานเท่าพอจะนำพวกเราแกะรอยพลานใหญ่ไปได้ไหมเราจะมานั่งรอเขาอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะยังเดาไม่ถูกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเสียงปืนจากเขาดังสองนัดแล้ว จากนั้นก็เงียบหายไปเลยเรียกวิทยุก็ไม่ได้รับคำตอบไอ้ได้น่ะมันก็ได้รอกในห้างแต่ตอนนี้บุญคำก็ยังเดาไม่ถูกเหมือนกันว่าพรามใหญ่น่ะเดินไปทางไหนถ้าตามผิดทิศทางแล้วก็คลาดเคลื่อนกันไปใหญ่เลยนอกจากก้นยากรัตที่แกทิ้งไว้เห็นนั่นบุญคำก็ไม่พบร่องรอยอะไรอีกเลยพื้นมันเป็นหินแข็งและมีทางด่านแยกไปได้รอบทิศ คนจากเนินปาหินนี่ลงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านไหนมันก็ล้วนเป็นปา่าทึบทั้งนั้นแหละอ่ะแล้วจะเอาอยัางไงกันดีละเนี่ยสตาลีประกาศขอความเห็นผู้ร่วมคณะทุกคนทำไมเราไม่ลองเรียกวิทยุดูสักครั้งล่ะครับโดยตั้งหลักอยู่ที่นี่กันก่อนมันก็จริงอย่างที่บุญคำว่านะครับถ้าออกตามผิดทิศ ผ, ผิดทางแล้วก็ยุ่งทีเดียว เชิดบุญเอ่ยขึ้นเรื่องไม่ก็ให้บุญคําตามไปคนเดียวก่อนจะเร็วกว่าพวกนายห่างทั้งหลายตามไปด้วยทุกคนรอบุญคําอยู่บนนี้ก่อนก็แล้วกันตาเท่าเสนอฝ่ายมีกันทั้งหมดทําตาโตเบลเอื้อมือมาตะครุบไหล่บอบบางแต่แข็งแกร่งของแกไว้ทันทีนี่คนแกนะ่เน่ยยังทิ้งพวกเราไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นนะแล้วพินหายไปคนหนึ่งแล้วประเดี๋ยวบุญคาก็หายไปสิคนนั้นแหะ พวกพรางคนอื่นๆก็แยกทางไปพร้อมกันลูกหาบหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะตามพลางใหญ่ก็ต้องไปด้วยกันหมดถ้าจะตั้งหลักอยู่ที่นี่บุญคำก็ต้องอยู่ด้วยตะวันเที่ยงตรงสีสันแผดแสงแรงกล้าบนป่าหินที่ทุกคนขึ้นมารวมกลุ่มกันอยู่ในขณะนี้ไม่มีที่ร่มพอจะอาศัยหลบแดดได้เลยมันร้อนระอุไปทั้งนอกและในจะอาศัยน้าในแอ่งก็เป็นอันหมดหวัง ทั้งหมดเริ่มเต็มไปได้วยความกระสับกระส่ายสแตนลีงัดวิทยุประจำตัวขึ้นมาเปิดสวิตพยายามเรียกซ้ำๆอยู่เช่นนั้นความหวังเริ่มห่างไกลออกไปทุกขณะเมื่ออีกห้านาทีเต็มๆยังไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆจากระพินไพรวันทุกคนเริ่มวิตกแม้แต่บุญคำเองบัดนี้เห็นแต่ตาขาวกรอกอยู่ลอกแหลก